ภาวะดีงามที่ชีวิตควรจะเป็นคือเมื่อชีวิตจะเป็นอยู่ก็พึงเป็นอยู่ด้วยดีอย่างเกื้อกูลอย่างมีคุณประโยชน์ได้แก่สุขภาพความอยู่สบายความไม่มีโรคความไม่มีปัญหาความไม่เป็นภาระเกินกว่าที่ควรจะเป็นความคล่องแคล่วเกื้อกูลแก่การทากิจเฉพาะอย่างยิ่งความเกื้อนหนุนต่อการพัฒนาชีวิตกระบวนการที่ฉันทะจะเกิดขึ้น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 ความคิดความเข้าใจที่ว่านี้เป็นชนิดที่แทรกเข้ามาตัดหน้าตันหาจึงไม่พึงสับสนกับความนึกคิดที่เกิดตามเพื่อรับใช้สนองตันหาคือคิดหาทางสแสวงหามาปลนปลื้มันส่วนกระบวนธรรมของฉันทะเป็นกระบวนธรรมแบบดับอวิชชาหรือจะเรียกว่ากระบวนกา ร, รแห่งปัญญาก็ได้คือต้องใช้ความคิดความเข้าใจหรือมีความสํานึกรู้ กล่าวคือเมื่อจะกินอาหารเกิดความสนึกรู้หรือความรู้คิดเข้ามาแทรกไม่ปล่อยกระแสะความรู้สึกไหลเรื่อยจากเวทนาสู่ตันหาตะเลิดไปกระบวนธารมฝ่ายอาวิชชาตันหาก็ดับหรือเงียบหายกลายเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาขึ้นมาแทนตัวเริ่มที่เข้ามาดับอวิชชาและตัดหน้าตันหาก็คือโยนิสมณสิการ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 หรือพูดง่ายๆว่ากินเพื่ออะไรและสำนึกรู้ว่าการกินเป็นการกระทำเพื่อผลคือการที่ร่างกายได้อาหารไปซ่อมเสริมตัวมันหรือกินเพื่อสนองความต้องการของร่างกายให้ร่างกายมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายแข็งแกร่งเหมาะแก่การทำกิจซึ่งเป็นภาวะดีงามที่ควรจะมีจะเป็นสำหรับชีวิตเพื่อให้กายเป็นกายที่ดี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 ก็เข้ามาร่วมกำหนดพฤติกรรมในการกินเป็นแรงเร้าที่สาเป็นตัวควบกับความหิวและเป็นตัวคาลกับตันหาโดยเกิดแทรกซ้อนสลับกับตันหานั้นถ้ามีกำลังมากพอก็จะตัดโอกาสของตันหาไปเสียทีเดียวฉันทะที่เกิดขึ้นในกรณีของการกินนี้ก็จะช่วยนำไปสู่คุณธรรมที่เรียกว่าโพชนมตัญญาแปลว่า